ทเรียนพรนยัดยู่นภาวนากันสบายๆนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะทาง่าย ที่เรานั่งอยู่ปีบตาเกนน้ำลายเคลื่อนไหวย็นร้อนอ่อนแข็งสำรวจดูแค่เรากลับมาสังเกตว่าขณะ น, นี้หลังงอไปไหมคอตรงหรือเปล่าตึงตรงไหนเข่งตรงไหนแค่นี้สติมันก็เกิดแล้วเหยาผิดเอาถูกอะไรกับมัน ไม่ต้องมีความคิดความเห็นอะไรในขณะที่ทานี้ไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เสียอะไรมีแต่การเรียนรู้สังเกตการไปเรื่อยๆคำว่าเกียบอารมณ์เป็นคำสมมติที่เราเรามันยัดขึ้นมาเพื่อเพื่อสื่อถึงสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นเอง โดยรูปแบบก็คือการในหยุดหน้าที่การงานข้างนอกถ้าเก็บแบบพระก็จะเข้าไปอยู่ในห้องคนเดียวแค่มารับบิณฑบาตก็งดกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็ทําความเพียรอย่างเดียวเดินยงกลมสลับนั่งสร้างจังหวะบริหารตนเองอยู่ในห้องบางครั้งท่านก็อย่างเช่นมาเก็บร่วมกันเป็นหมูเนี่ย ส่วนหนึ่งรูปแบบภายนอกก็คือค่อนข้างจะจํากัดสถานที่ให้ตนเองเพื่อจะได้นั่งต่อสู้กับได้นั่งเรียนรู้กายใจตนเองตรงๆลงไปทีนี้ถ้าว่าโดยขมวดสรุปที่สุดคำว่าเก็บอารมณ์ก็คือการเก็บความรู้สึกตัวท่านั่นเองทีนี้อการอยู่ในห้องการอยู่รวมกลุ่มหรือว่าการปิดตัวนั้น เป็นเพียงการจัดสภาพเอื้อให้การเร่าความรู้สึกตัวมันโตขึ้นอันเร า, า จ, จะอยู่กลางตลาดหรืออยู่กระโมกับคณะแม้แต่กําลังแสดงทําอยู่ถ้าทําความรู้สึกตัวไดก็ชีว่ากิบอารมณ์โดยเนื้อหาอยู่แล้วอันนี้กล่าวแยกกันหรอกเราห่างรูปแบบกับสาระนะนี่ในตัวรูปแบบและสาระนี่ให้มันสอดคล้องกันคือเรามีโอกาสสําหรับการว่างการว่างงานแล้วจากครอบจากครัวมาแล้ ว, ลวก็ โอกาสในการทำให้รัดกลุ่มขึ้นการทำให้รัดกลุ่มขึ้นมีโอกาสลองอยู่ในห้องปฏิบัติร่วมกันอย่างในคอร์สเนี่ยก็ล็อกให้เราได้มีโอกาสได้ทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องนั่นการเก็บอารมณ์คือการเก็บความรู้สึกตัวนั่นแหละสั่งสมความรู้สึกตัวให้เติบโตขึ้นให้รัดกลุ่มขึ้นโดยอาศัยสภาพแวดล้อมการได้ปลีกเปลี่ยวได้อยู่ ร่วมกันได้จำกัดสถานที่ให้ตัวเองได้ได้เราความรู้สึกตัวมันตื่นโพรงขึ้นมานี่การเก็บอารมณ์นี้ถ้าอันดับแรกวางใจให้ถูกนะการปฏิบัติรมถ้าวางใจไม่ถูกนี้จ้มันจะช้าหน่อยคือในความเป็นจริงแล้วมีแต่กายกับใจเท่านั้นที่เป็นไปอยู่ไม่ว่าจะสบายไม่สบายปวดเมื่อยหิวร้อนโดยที่สุดแม้ตาย นั่นคือกายมันเป็นไปตามกระแสธรรมชาติน่ะไม่มีเราในนั้นเนาะความเป็นไปในจิตเหมือนกันไม่ว่าจะฟุง้งซ่านคิดอกุศลคิดในเรื่องไม่เหมาะสมควรคิดหรือว่าคิดดีมากๆจนถึงแม้แต่ความสุขความสงบความดิ่นชัดของสติปัญญาอะไรทั้งหมดก็เหมือนกันมันเป็นเพียงกระบวนการเหตุปัจจัยตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีเราผู้ได้ผู้เสียอะไรในนี้ถ้าทิฏฐิในระดับการได้ยินได้ฟังถูกต้อง ไตรตรองไว้ถูกต้องเวลาทากําเพียนแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะโดยธรรมชาติทั่วไปเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเราความรู้สึกว่ามีเราความรู้สึกว่ามีเราก็จะมีของเรามีผู้ได้มีผู้เสียโดยที่สุดแม้แต่นา ม, มาทําที่เกิดดับบุบ บ, บาบบั บ, บคนที่เห็นว่าลูกของเราสามีของเราปัญญาของเราบ้านของเรารถของเราอันว่าโง่ ตัวของเธอยังไม่มีแล้วรถของเธอบ้านของเธอสามีปัญญาของเธอจะมีได้อย่างไรอันนี้พูดโดยสัจจะนะพูดโดยปรมัทิตย์สัจจ์แล้วนั้นเวลาปฏิบัติเหมือนกันสติของเธอปัญญาของเธอมันจะมีได้อย่างไรกิเลส ข, ของเธอก็ไม่มีอันมีแต่กระบวนการที่กําลังกระทําเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เท่านั้นเองนั้นเวลาปฏิบัติให้ทําใจแบบผู้เรียนรู้อย่าทําใจแบบผู้เอา ผู้ได้ผู้เสียโอ้วันนี้ได้วันนี้ไม่ได้ได้อะไรได้อะไรไมันมีแต่อาการที่เป็นไปทางกายเย็นร้อนออนแข็งเจ็บปวดเคลื่อนไหวอาการที่เป็นไปทางจิตไม่แต่สติกำลังชัดเจนกำลังตั้งมั่นกำลังโปร่งกำลังล่งก็ไม่ใช่มีอะไรได้ไม่มีผู้ได้ผู้เสียมีแต่กระบวนการเหตุปัจจัยมันสมดุลอย่างนี้ก็เกิดสภาพอย่างนี้เหมือนเมือนที่พระเจ้าว่าทำทั้งหลาย ปรากฏแก่พรมผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่พรมนั้นย่อมกาจัดมานและเสนามานดำรงอยู่ได้คนทั้งหลายนี่ย่อมตามเห็นอารมณ์ว่างามนะคือติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ที่เรามาพูดนี่ก็คือเวลาความนึกความคิดมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราเข้าไปคลุกครีไม่ยอมปล่อย อันพอฝึกไปช่วงหนึ่งสติสัมยาติเติบโตแล้วอืพูดถึงความเบือ่อความเซง็งความม่วงอะไรมันเริ่มผ่านมานมนจะเริ่มเจอเบาเจอสบายเจอว่างหรือแม้แต่ความคิดสร้างสรรค์ดีๆเนี่ยฟังธรรมะเข้าใจอยากเอาไปเผื่อแผ่คนนั้นอยากเอาไปให้คนนี้ได้ยินได้ฟังอยากชวนญาติคนนั้นเพื่อนคนนี้มาปฏิบัติอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นมารที่ต้องข้ามไปอย่าเห็นอารมณ์ว่างาม สลัดออกให้หมดสลัดออกให้หมดเข้าไปสู่ความเกลี่ยกล่าอันนั้นโดยที่สุดแม้จะเจอความเกลี่ยกล่าโปร่งโ่งแล้วเนี่ยไปประคองไปยึดมันไว้ก็ชื่อว่าตาเห็นอารมณ์ว่างามตาเม็นอารมณ์ว่างามเราก็จ ะ, จ ะ, จ, ะจะดึงมันไว้ดึงมันไว้นั้นให้ข้ามอันนี้ไปทำไปเ ป, ปล่าๆ ว, ว่างๆนั้นในช่วงแรกการปฏิบัติธรรมเนี่ยะจะว่าแบบปัญหาก็เป็นปัญหาเหมือนเราเรียนเรื่อง สติปัฏฐานเนี่ยพอถึงธรรมานุปัสสนาท่านเริ่มต้นด้วยนิวรธรรมสำหรับเบื้องต้นเนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นปัญหาก็ใช่แต่จริงๆมันเป็นตัวต้องเรียนรู้ถ้าว่าโดยที่สุดแล้วกรรมฉันทะพยาปาทะถีนมิทะอุทธจัจักกุกุจจะและ ว, วิจิกิจฉาอันนี้พูดพูดขนไกลวัดเนาะขนพวกที้คงไกรวัดนะ ใ, ดใช้ทับศัพท์ได้เลยใช่ไหมไม่ต้องแปลแบบเด็กๆแล้วนะ ความพอใจติดสุขติดสบายยึดถึงรูปเสียงกินรสที่เคยสัมผัสเคยได้เคยกินเคยเล่นเมื่แต่เราเดินเดินตรงกลมไปเนี่ยบางทีเพลงที่เคยฟังสนุกสนุกมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็เดินง่วงงิมง่วงงิ้มตามมันไม่วางอันนี้เราติดกรามแล้วเกิดทําไปมันเหนื่อยมันเพียรมันเบื่อมันเส็งโอ้แต่เรากลับไปนอนบ้านไปอยู่ที่บ้านนั้นพักผ่อนอะไรกันนักกันหนาเราก็บรรลุอะไรชาตินี้วะอะไรพวกนี้ยมันยังติด อันสิ่งเหล่านี้แม้แต่ความงุหงิดความรำคาญความซึมเศร้าหดหู่มันละเอียดอ่อนนะความสัดสายฟุ้งซ่านของจิตจนถึงความลังเลสงสัยเมื่อยานปัญญาเกิดขึ้นพระโสดาบันบุคคลนะละได้แค่ความสงสัยเท่านั้นเองความง่วงความซึมยังครอบงําจิตได้บ้างความฟุ้งซ่านสัดสายก็ยังครอบงาจิตความงุหงิดปฏิฆาก็ยังแทรกจิตได้บ้างแต่ไม่ถึงกับล่วงออกมาทําร้ายผู้อื่นเท่านั้นเอง การมาันทาติดอยู่ติดกินติดสบายแล้วก็ยังมีเต็มร้อยเปอร์เนตนั่นแหละแต่ความสงสัย เ, ยเอยไม่เคยมาบ้านจันไม้หอมมันอยู่ทิศไหนอยู่จังไอเอความสงสัยทิศทางทิศโน้นทิ่นี้คนละเรื่องสงสัยว่าไอ้ที่ทำเนี่ยทำอะไรทำแล้วจะเกิดผลอย่างไรจะทำอีกเท่าไหร่ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เส้นไม่สงสัยในเส้นทางของมรรคผลเนีย การที่จับหลักได้ ว, วิธีที่จะง้างตัวเองออกจากความทุกข์อุปทานเนี่ยทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนที่จิตมันเข้าไปยึดไปปรุงเท่านั้นเองไม่ว่าจะความกลัวความโกรธความเกลียด ม, มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ข้างนอกคนทำให้เราโกรธไหมเสียงทำให้เราโกรธไหมไม่เสียงก็คือเสียงรูปก็คงเป็นรูปแต่จิตที่เขาไปยึดอันนั้นมา เราเป็นคนเจ้าระเบียบเราก็จะยึดความไร้ระเบียบถ้าใครทําอิริเคคาเราก็จะงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งขึ้นในใจเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละส่วนลูกเราหลานเราทาไมมันไม่อย่างนั้นทําไมมันไม่อย่างนี้เราก็ทุกข์บางทีเขาไม่ได้รู้เรื่องด้ยซ้ํานะที่เห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้เพื่อนร่วมงานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นอเรายุ่งเราผลิตความรู้สึกของเราขึ้นมาเท่านั้นเองในนั้นจริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย รูปก็เป็นอยู่ข้างนอกเสียงก็เป็นอยู่ข้างนอกนั้นเวลาเราปฏิบัติแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่ผลิตขึ้นเช่นความคิดมันก็อยู่ข้างนอกกล่าวถึงว่าอารมณ์ที่เกิดกับใจอารมณ์ที่เกิดกับใจมันเป็นนามมารูปมันเป็นรูปของความคิดที่ผุดโผล่ขึ้นมานั้นถ้าเราเท่าทันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาเราฝึกปฏิบัตินั้นนี่วัลธรรมว่าเป็นปัญหนาลุศักดิ์เบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เวลาสติปัฏฐานสีเนี่ยพอมาถึงธรรมานุปัสสนาจิต การมาเฉยถ้าเกิดขึ้นก็รู้ตั้งอยู่ก็รู้ดับไปก็รู้เหตุเกิดขึ้นของกามฉันทาก็รู้เห็นแห่งความเสื่อมไปของการมาเฉยถ้าก็รู้อืรู้ว่ากามฉันทะจะไม่เกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างไรเธอรู้แจ้งคนที่รู้ว่าการมาฉันทาจะไม่เกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างไรนั่นคือลักษณะของพระอรหันต์แล้วอันนั้นถ้าว่าโดยที่สุดแล้วการเจริญเศรษประธานหมวดใดก็ตามถ้าเข้าใจถูกแล้วเป็นพระยเจ้าได้ทั้งหมด ทว่าจริงๆนะโยมแค่รู้นิวรธรรมอย่างแตกฉานทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละเป็นพรานได้แล้วไม่ต้องไปอะไรลึกซึ้งปฏิจจสมบาทิอิทัิปยาตาอะไรก็ได้นะมันเป็นกระบวนการเดียวกันเลยอืมถ้ารู้แค่นิวรธรรมได้อย่างชัดเจนขณะเกิดอยู่นี่เกิดอย่างไรมันดับไปมันดับไปอย่างไร อ, อะไรเป็นปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมาอืม ถ้ว่าแล้วธรรมะเนี่ยพูดอันหนึ่งมันจะรวมไปหากันทั้งหมดเลยแม้แต่เรื่องอินทรีย์สังวร น, นะอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นลดขึ้นมาแล้วมันส่งผลต่อความรู้สึกอย่างไรนะนั้นลงพ่อเตียนว่าความรู้สึกตัวนี้เป็นฟ้าก่วมดินตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละอินทรีย์สังวรศีลบริบูรณ์ได้ด้วยสติสัมปชัญญะเวลาตาเห็นรูปปับ๊บเกิดความรู้สึกอย่างไร หูหได้ยินเสียงปั๊บเกิดความรู้สึกอย่างไรตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นาตาเห็นอันนี้กันนี้ละที่สาคัญมันก็จะฉลาดในการใช้ตาตานี้มันเป็นประตูตาหูจมูกลิ้นเขาเรียก ว, วานน่าถาวรนะพุจ้าบอกว่าถาวารคือประตูนั่นแหละใช้ตาแบบนี้เกิดความร้อนใจใช้หูแบบนี้เกิดความร้อนใจใช้หูแบบนี้เกิดความเข้าใจเกิดความสบายใจก็จะเริ่มฉลาด นั่นความรู้สึกตัวตัวเดียวจริงเป็นพื้นฐานของการศึกษาชีวิตทั้งหมดเลยท่านจึงให้เรามาเก็บเก็บอารมณ์สมัยเี่ยจะมาฝึกใหม่ๆนะนะ ไ, ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ที่พูดๆอย่างน้ก็ไม่รู้เรื่องแต่รู้แต่ว่าให้ทำความรู้สึกตัวทำอย่างไรตั้งแต่ตื่นนอน จ, จนถึงหลับนอนเราจะอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้ได้เก็บอันนี้เก็บอันนี้ไปเรื่อยๆพอเราอยู่คนเดียวเนี่ยอารมณ์มันจะเกิดขึ้นเยอะ เบื่อเซ็งฟุ้งม่วงคิดอะไรต่างๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะใครมีอะไรก็จะมีอันนั้นก็จะแสดงอันนั้นเป็นอันนั้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นอันนั้นมาเรื่อยๆแต่เรารู้สึกตัวเข้าไปรู้สึกตัวเข้าไปเก็บในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นนทีนี้ไอ้เรื่องนิวรธรรมที่เป็นอุปสรรคเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่นะพอไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยการสมดุลอินทรีย์นี่เป็นเรื่องสําคัญพอทํามาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยศรัทธามีมากแล้ว ความเพียรมีมากแล้วสติเริ่มเกิดพอไปถึงช่วงหนึ่งอุปสรรคที่ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปก็คือเรื่องนอกจากเรื่องของเสนามาณเนี่ยคือนิวรธรรมแล้วคือตัวมาณเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะขันธาน์ารรมเราคงเคยได้ินนึ่งพอมาทําไปธรรมามันมันจะเจ็บจะป่วยจะตายอะไรเขาให้เนี่ยถ้าคุณไม่เป็นประเภทเด็ดขาดจริงๆคุณจะท้อเลยเทวบุตรรมานความติดสร้างสรรค์ คิดธรรมะโมออกอยากเพื้นแผ่อยากแสดงอยากอะไรต่างๆี่คุดความคิดตกล่องอันนี้เราจะไม่เห็นโทษมันจะเป็นมืดสีขาวอยากจะเอาคนนั้นมาปฏิบัติอยากจะไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นนี้คนนุณต้องข้ามเสียงเหล่านีต้ต่อมานี่นะไอ้พวกเนี่ยเวลาทำกรรมเบียนไปถึงช่วงหนึ่งถ้าสติมันชัดมากๆสติที่มันคมกริบเกินไปนี่วิริยะมันไม่สมดุลกับสมาธิเนี่ย โดยเฉพาะทํความเพียนแล้วมันเกรงคูบาอาจารย์กลัวท่านว่าเราไม่เอาจริงเอาจังมั้เนี่ยช่วงนี้ต้องข้ามทํากามเพียนถึงจุดนี้ต้องอิสระนะไม่ต้องเอาอะไรกับใครอืพอมาทําจุดหนึ่งเนี่ยความรู้สึกตัวมันชัดเจนชัดเจนแล้วทําไปทํามาความรู้สึกตัวมันคมมันกล้าความเพียรมันกล้าแต่ความนิ่มนวลความคลี่คลายมันไม่มีมันจะเจอสภาวะแห่งความตื่นกายตื่นใจเกินไป จะมีอันหนึ่งนะตื่นเกินไปมันจะเครียดนิดนิดบางทีมันจะนอนหลับไม่สนิทหรือบางทีมันเหมือนนอนไม่หลับเลยคนที่ทำความเพียนจริงจังนะเต็มที่เนี่ยมันจะเกิดสภาวะอันนี้เกิดความเพียนที่ที่คมความรู้สึกตัวทำต่อเนื่องพอถึงตอนนี้ต้องทำอย่างอิสระนะทำอย่างอิสระเลยไม่ต้องแคร์ อะไรกับใครถ้าเป็ี่นไปได้ถ้าเก็บอารมณ์อยู่คนเดียวให้เป็นนอนทําให้ไปก็ก็แกล้แกลออกนอกรูปแบบก็ได้แต่ใส่ใจอยู่เดินโต๊ะโต๊ะเตีเตีเที่ยวนู่นเที่ยวนี้่ปีนต้นไม้ก็ได้วิ่งจ็อกกิ้งก็ได้แต่เนื้อหาก็คือรู้ตัวอยู่เล่นอยู่เนี้ยอันนี้หมายถึงกรณีเฉพาะคนนะอถ้าเป็นโยมเนี่ยว่ายน้ําเล่นก็ได้อพอความรู้สึกตัวมันมันรักความรู้สึกตัวแล้ว แต่พอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีภาวะของความอยากวิริยะมันสูงความอยากมันจะตามมาพอถึงช่วงนี้ถ้าสังเกตว่ามันมันตึงๆมันหนักๆเครียดๆนิดๆนี่นะไม่ได้บอกให้แก้นะ จ, จะเรียกว่าแกหรือไม่แกก็รู้ให้เป็นอิสระไปเลยบางทีถ้าเราจะทำอะไรอิสระเออหลวงพอ่อจะมาว่าเราไม่ตั้งใจไหมนี่อุปทานของเรานะข้ามไปเลยไม่ยุ่งเลยเรื่องนี้ แต่เราต้องคือวินัยในตัวเองเราชัดเจนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะพอมันมีอยู่สองแบบนะแต่มาทํามาช่วงหนึ่งเนี่ยฝึกไปพอเราตั้งใจพอจับมาผ่านนี่ว่าเรามเบื้องต้นเริ่มเบาบางแล้วมันจะควบคุมเราได้น้อยนะสติสมิยามันคมชัดมากพิษตาเกินน้ําลายชาไปหมดนอนลงไปเห็นตัวเองเป็นท่อนไม้ลึ้งขึ้นไปหลุดก็ไม่หลุดอืม ยิ่งพอฟังท่านพูดประสบการณ์เนะี่ยคนนั่นก็รู้คนนี้ก็รู้เราก็ยิ่งอยากรู้เลยอยากจะเป็นอย่างท่านว่าเนะี่ยดูเหมือนมันง่ายไอเราทำมามันก็เหมือนอยู่แค่เอื้อมนี่นะมันก็ใกล้จะถึงอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ที่เขาลําดับมาเนี่ย <c oughs> แต่ตัวความอยากนี่มันบังบางอยากให้ความรู้สึกตัวไม่หลุดเลยอนะไรพวกนี้ยตัวเนี้ยภาวะตัวนี้เราจะต้องบริหารตัวเองต้องบริหารตัวเองมันบงังมันอยากมันมันชัดมันอนะไะพอถึงช่วงนี้ต้องอิสระมากนะ ไม่อะไรกับใครทั้งนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกไม่ต้องกลัวการประเมินไม่ต้องกลัวการตรวจสอบทําให้อิสระทําอย่างไรก็ได้พอถึงช่วงนี้จะยังไงก็ได้คลี่คลายพอถึงช่วงที่มันเป็นอย่างนี้ธรตมาก็ไปถามนะพอเราฟังลงนิดถ้ามันตึงมันเครียดมันเหมือนนอนไม่หลับนี่มันติดอารมณ์ยิ่งรู้ว่าตัวเองติดอารมณ์ยิ่งโอ้ยทุกข์ใหญ่เลยทีนี้โอ้กูติดอารมณ์แล้วเลยนี่ตายกูทําไม่ถูกแล้วยิ่งยิ่งมีอุปทานใหญ่เลย อยากจะให้มันหายก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียดยิ่งหนักไปมันมี <c oughs> ช่วงนั้นที่มันเป็นเนี่ยทำกอมเปลียนพอเราได้ความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันชัดมากขนานดะนอนลงไปนี่สเส้นเลือดที่มันวิ่งเนี่ยมันจะฟับับับชัดเลยลมหายใจนี่ยังก็ท่อสูบลงทีค <c> ร <oughs> าวนี้เราเราจับถ้วยจับชามอะไรต่างเวลาไปตักอาหารนี่โอ้โหกลัวมันกลัวมันไม่รู้ เดินประคองจากกุฏิเดินอุ้มบานไปรู้เหยียบรู้เหยียบรูเหยียบแต่มันก็หลงหลงก็กลับมาไวหลงก็กลับมาไวพอไปตักอาหารจับช้อนเท่านั้นเนี่ยพอจะตักอาหารเนี่ยตักมันทั้งลมหายใจทั้งมันชาร์จไปพร้อมกันไปเลยอันนี้มันจะติดเพ่งติดจ้องอันนี้ก็ต้องข้ามไปทำเมื่อข้ามไปคือพอถึงช่วงนี้ทําให้มันคลายให้มันเป็นอิสระไม่อยู่ในกรอบในอะไร จับสาระมันไว้คือรู้สึกตัวทำเล่นเล่นพอถึงช่วงนี้ต้องทำเล่นเล่นทำาคลายทำสบายสบายไแล้วความต่อเนื่องอันเนี้ยต่อเนื่องมันอยู่ที่สาระของความรู้สึกตัวนะไม่ได้อยู่ที่การยกมือนะการยกมือเป็นตัวกระตุ้นเป็นกรอบเป็นรูปแบบนั้นพอถึงช่วงนี้ถ้ามันมันถึงถ้าคุณดันไปนะมันมีสองอย่างถ้าดันอย่างถูกต้องมันก็ข้ามเหมือนกันถ้าดันไม่ถูกต้องมันจะติดแช่อยู่ตรงนี้ จะจุกแล้จะวนฟังธรรมะก็เข้าใจนะแต่มันจะผ่านอันนี้ไม่ได้สติก็ชัดสมาธิก็ดีแต่มันมันมันไม่ใช่สมาธิติวสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็ลักษณะของความนิ่มนวลพี่คลายนิ่มนวลคลี่คลายปลอดโปร่งโล่งแต่ถ้ามันรู้สึกตัวชัดอยู่แต่ว่ามันแข็งแข็งตื้อตื้คลืดคลียดอะไรพวกนี้อไม่ผิดไม่สังเกตนะถ้าฟังคนพูดหรือว่าแม้แต่อาจารย์พูดถึงสภาวะไอ ต, ตึงๆเกียเกียนเราก็จะเพียดด้วยนะเพราะอาตมาก็เป็นหนักขนาดว่าเห็นหลวงพ่อหนุนท่านสร้างอย่างหลวงพ่อบุญธรรมท่านสร้างจาัหวซุ้ยสวยๆเห็นท่านนั่งสร้างจังหวะท่านนี่แหะสร้างอาตมาแน่นอกแล้วมันหนักแล้วทึบแล้วโอ้โหขนาดนี้มันพอเห็นท่านขนาดเห็นท่านสร้างจาั่วะเราเร า, เราจ้องแล้วมันจิตมันมันมันอยากมันเกียจพอถึงช่วงนี้ฮะอิสระเลยอิสระปล่อยไปไ ป, ไปมา ออกมาทําการทํางานตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านจะพาทํางานธรรมาเขียนรถรถเขียนปูนกันล้วนะเขียนมันจะดังตึงตึงๆึ ง, งโอโ้โหมันกระแทกเข้าในหูเลยอ่าจิตมันเข้าไปติดหลมตรง น, นี้แต่จริงๆไม่ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรมันเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้อนช่วงที่ธรรมาจะหลุดเนี่ยมันเยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองติดอารมณ์เนี่ยพอรู้สึกว่าเราติดอารมณ์เนี่ยยิ่งอยากออกยิ่งอยากออกยิ่งเครียดซ้อนเครียดเลย อยากแก้ไขอยากจัดการยิง่งพอไปถามใครเขาบอกท่านติดอามรมณ์พอได้ยินคําว่าติดอารมณ์นี่ยิ่งหนักเลยนะ <g> um> มันก็ไม่ยอมจะติดอารมณ์จริงๆเป็นภาษาสมมติพูดเฉยๆนะเป็นเพียงแต่ว่า آ, มันเป็นกระบวนการการเรียนรู้เฉยๆตอนนั้นเราตมาเข้าเก็บรมคนเดียวนี้พอออกทิ้งทิ้งๆิ้งไปมันก็หายพอเริ่มเลียงเียงความเปลี่ยนขึ้นหม่มัก็เริ่มก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นก็มาตึงที่ขำว่หนักหัวแน่น แต่มาทีความคิดนี่แทบไม่เข้าเลยนะแทบไม่เข้าเลยมันชัดมากมันเป็นจริงๆอารมณ์เหล่านี้มันเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นสติที่คมกล้าเกินไปมันไม่นิ่มนวลเนี่ยตอนนั้นมันเกิดทําไงวะสมัยเราเป็นโยมแล้วงพอเราถอยออกจากความเพียนปั๊จิตเราก็ตกไปสู่อกุศลมันเดิมคิดแบบโลกโกเหมือนเดิมหงุดหงิดกับคนนั้นคนนี้เหมือนเดิมพอเรากลับมาอันนี้ พอกลับมาใหม่ๆกลับมารู้สึกตัวใหม่ๆมันก็จะเริ่มรู้กายรู้ใจได้พอดีพอมันถีเข้าถีเข้ามันก็จะแล่นเลยไปสู่ความตึงความอึดอัดความเครียดความจ้องความอะไรของมันอีกหาความพอดีไม่เจอในช่วงนั้นเข้าเก็บอารมณ์อีกรอบมันเกิดยังไงวะอึดอัดเนี่ยจะทํายังไงถูกวะเนี่ยมันเลยได้ความคิดอันหนึ่งขึ้นมาว่าสมัยก่อนเราเป็นโยมเนี่ยเคยกินเคยเล่นเคยเที่ยว กินเหล่าปวดหัวปวดแลมันก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยไม่นอนสองวันสามคืนไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็ยังทําได้นะถ้าทําความเพียรทําความดีแล้วมันตายก็ตายซะดีกว่าทําชั่วตายถ้าปล่อยให้ความคิดไปแนวเดิมๆ ม, มันก็ไปสู่อกุศลมันเดิมเป็นปฏิฆาเป็นราคะเหมือนเดิมก็ทุกข์ตายก็ตายซะแต่มันก็ปูเสือนอนปูเสือลงกับทางจงกรมแล้วก็นอนสร้างจังหวะพอคิดอย่างนั้นนะมันหลุดปุดไปเลย แต่เออาหายไปไหนแต่ก่อนแค่พลิกมือนี่จะเป็นแล้วลองจ้องใส่จริงๆดูจ้องขนาดไหนก็ไม่เป็นอ๋อจริงๆติดที่จิตไม่ได้ติดที่อาการทางกายอ๋อจิตมันวางไว้ผิดนั้นเวลาเราทํากามเพียรเนี่ยให้เป็นอิสระให้เป็นอิสระนะโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจมากๆเนี่ยดูหน้ามีแต่คนตั้งใจนะนี่พวกคุณกว้างคุณอะไรนี่ระวางังนะพวกตั้งใจมากยยิ้มบ้างเวลาทํากามเพียรนนะ่ะ โอ้โหนี่บรรลุภายในสองวันในคิวชนกันระยุ่งเลยนะยิ้มบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างนี่นะให้มันเป็นความจริงจังภายในนะเป็นความจริงจังทํำคลายๆทำคลายๆจังหวะพอดีของเรานั่นแหละทํา เ, เล่นๆสบายๆเนี่ดังนั้นพอทําถึงจุดที่มันไอภาวะอย่างนี้บางคนก็ทอได้แต่คนที่ตั้งใจจริงอยู่แล้วพอถึงพวกเราส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าชีวิตนั้นมันไม่มีอะไร กินกินนอนๆใส่แล้วก็ซักๆักแล้วก็ใส่กินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็กินนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนคิดแล้วบาทีเราก็เห็นความคิดว่ามันหลอกลวงแค่ไหนเรื่องที่เราคิดคิดคิดมันจริงท่าที่ไหนพวเราฝึกมาระดับนี้มันเข้าใจเรื่องนี้แล้วแต่ความมุ่งมันไปข้างหน้าแต่การจัดความสมดุลระหว่างสมาธิและความเพียรนี่เป็นเรื่องสาคัญ เรื่องเรื่องสำคัญหนึ่งคือจัดวางมันให้ดีดีนั้นเวลาเร า, เาก้อกิบอารมณ์เนี่ยให้เป็นอิสระนะให้เป็นอิสระทํานั่งอยู่อย่างท่านพาไปนั่งอัดเดี๋ยวนี้นปฏิวัติธรรมอันหนึ่งนะอุปทานชนิดหนึ่งคือการกลัวเสียฟอร์มเนี่ยต้องเลือกทิ้งเลยนะไม่มีฟอร์มเด็ดขานนะต้องปฏิวัติธรรมต้องต้องโง่นะต้อง ต้องรื้อถอนในประเภทนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คืออัศมีมานะความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเรามันจะเทียบกลัวผิดกลัวถูกกลัวอ่าการประเมิ น, นอะไรทิ้งให้หมดเลยทําเออเออโง่โหน่อยปฏิติทําทำ้ทางโงจา่จะบรรลุทาไงนะคําว่าโง่ในที่นี้คือฉลาดเชิงเหตุผลเชิองอะไรพวกนี้ต้องทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเวลาเราฝึกไปให้ทําคลายๆทําเล่นๆอินโนเซนต์หน่อย ทำแบบไร้เดียงสาทำแบบคลายคง่ายง่ายเล่นเล่นติงต้องหน่อยก็ได้นะใครใครค่อนข้างรู้สึกตัวเองเออซีเรียสหรือเกินนั้นติ่งต้องหน่อยก็ได้แล้วมันจะคลายปฏิบัติตามไปยิ้มยิ้มถ้าเราทํากอมเพียนแล้วมันมันถูกต้องมันจะนิ่มนวลคลี่คลายด้วยอมีความร่าเริงความเบิกบานแต่ถึงมันจะเครียดจะหนักอจะอะไรจําไว้นะบทแรกที่เรามาตั้งต้นคือไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้ว แม้ขณะนี้มันยังไม่สมดุลของมันอาจจะอ <c oughs> ชัดเจนเกินไปฟไปุ้งเกินไปซึมเกินไปไม่มีผิดไม่มีทุกไม่มีผิดไม่มีทุกมีแต่บทเรียนเมื่อเราเรียนรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าหลักของมันคือ <c oughs> การเก็บอารมณ์คือเก็บความรู้สึกตัวเนี้ย่ยในช่วงที่เราได้นั่งอัดกันยาวๆเนี่ยมันจะสู้กับเบทนาความเมื่อยความปวดความอึดอัดความเครียดความอะไรก็ช่างมันถ้าทําไปแต่พอเราออกนอกรูปแบบปั๊บเนี่ย ให้มาเล่นนอกรูปแบบไม่ได้แล้วจับยาที่วันล่างหน้าแปรงฟันทำเล่นๆไกลๆทําเล่นๆๆเองไกถ้าทําไปแล้วมันมันชัดเกินไปก็เปลี่ยนมาจับอะไรกุ๊กๆกีกๆอยู่ข้างๆบางทเดี๋ยวอาจารย์จะว่าเราไม่ตั้งใจต้องทันอารมณ์อันนี้ด้วยวางไปเลยวางไปเลยกลับเนี่ยจัดจัดความคลี่คลายตัวเองให้ได้พอดีพอดีพอดีอดทําสังเกตอยู่อย่างนั้นนั้นที่เราเก็บอารมณ์เนี่ยไม่มีอะไรเพื่อให้เขาเห็นว่าสภาพอาการทั้งหมดเนี่ย มันไม่มีเราหรอกในนี้เราจะไปบินธบัตเนี่ยนิมนกันนะนิมนต์นิมนต์เตรียมตัวบินธบัตทำกวามเพียนกันให้สบายสบายสบายเนี่ยเวลาเราเข้าเก็บอารมณ์ในห้องทำสังเกตอยู่อย่างนั้นเน่ความรู้สึกตัวตัวเดียวนะ ทำความรู้สึกตัวตัวเดียวเนี่ยนอย่าไปประคองเอาอะไรจะ่าไปอะไรจัดการอย่าไปแก้ไขอะไรมามเพียงแค่สังเกตว่ามันมันหนักมันเบาอะไรก็สนใจการเคลื่อนไหวไว้จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกแตมาจะพูดมานะแต่ไว่าโยอมไม่ต้องฟังก็ได้เพราะแต่มาจะพูดคําเก่านั่นแหละไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเลยมีแต่ให้ให้ทําความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้จะเป็นตัวเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปนั้น ให้พยายามสังเกตอย่าอย่าอยากได้ไวเกินไปตัวนี้จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอุปทานธรรมชาติตัวนี้เราเราเร่งมันไม่ได้เหมือนข้าวในานาเนะี่ยถึงเวลาที่มันจะออกรวงถึงเวลาที่มันจะแก่พอเกี่ยวนะมันเป็นคนละเรื่องพู้เจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้นะ เวลาพรองทรงแสดงธรรมพกก็จะดูกลุ่มคนนะั้นดูกลุ่มคนในครั้งพุทธการคนฟังธรรมปุ๊บบรรลุปั๊บเนี่ยก็มีมากคนทำสามวันบรรลุปั๊บนี่ก็มีคนทำเจ็ดวันสิบห้าวันก็มีนะบางคนยี่สิบห้าปีนะที่มีพระศ า, าสดาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะจะบอกใ ห, ให้ทำไมเราโง่จังฟังเขาเล่าๆเขายัางได้เลยสามวัน มันไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไอธรรมะนะมันนี้จะภาพเหมาะสมของมันนะของมันมีภิกษุณีนางหนึ่งนะปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านะ25ปีพนะอเธอเป็นพระอาจรย์แล้วเธอมาเล่าความทุกข์ยากในการดำกมเพียนต้องเตียให้ฟัง25ปีหาความสงบแผ่นจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีนะเธอมีความฟาุ้งซ่านราคะบีบคัน้นต้องทนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้าตาหนองหนะ้า ทุกอีกแล้วฟุงูงซานี่แล้วอยู่นั่นเนีะยยี่สิบห้าปีนะขนาดมีบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเลิศที่สุดในโลกคือพระาศาสดาเป็นอาจารย์กรรมฐานซาอะไรจะมีอย่างอาตมาเป็นอาจารย์กรรมฐานคุณไม่ต้องคิดมากเคนน่นเรื่องกันนะมันมีสภาพเหมาะสมของเขาไอ้เรื่องแบบนั้นนะ่ะมันไม่ต้องพูดเรื่องกรรมเก่าอะไรหรอกมาระมีเดิมมันตัดทิ้งไปเลยก็ได้แต่สภาพเหมาะสมของเขานะมันเป็นของมัน อันมีสภาพแห่งการสะสมเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์สมควรเนี่ยพอเธอทุกข์มากๆพระเจ้าว่าเอ้ยเธอบรรลุธรรมไม่ได้พิเศษอะไรนะไม่ได้พูดแต่ลักอริยสัจปฏิจจสุบารโลกนี้เป็นของว่างไม่ได้พู ด, ดไปซ้ำไปพระเจ้าพูดธรรมง่ายๆการที่เธอทนประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ําตาหนองหนะ้าเธอไม่ยอมลาสิกขาบทเธอไม่ยอมล่วงพรหมจรรย์ชี้ว่าเธอมีความมีศรัทธาอันน่าชื่นชม เธอมีความเพียรอันน่าชื่นชมพระเจ้าจะให้กำลังใจในเรื่องพื้นพื้นศีลธรรมจริยธรรมแค่นี้เองและเธอก็เพื้นปีติบรรลุธรรมพระพูดว่าชื่นชมให้เธอได้กำลังใจเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นเรื่องเหมาะสมเฉพาะช่วงนั้นพระองค์จะสงควรที่จะชุดยังไงก็ชุดอย่างนั้นนี่ทาให้มันเป็นเรื่องแบบนี้นะ นั้นเราแค่สะสมเหตุปัจจัยที่เก็บอารมณ์เนี่ยเป็นไปนสะสมมเิเฉยๆนั่เราจัดสัมผัสแบบลบให้ได้ทําความรู้สึกตัวให้มันตื่นโพลงอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนั้นพอถึงจุดมีวินัยในตนเองแล้วเนี่ยให้หาจังหวะกว่าเหมาะสมของตนเองจังไรมันเหมาะสมแม้แต่เอ๊ะเราทําไปทําไปเนี่ยพออัดกับอาจารย์มันเอรู้สึกมันลองดูแล้วทําตามเงื่อนไขที่ท่านรู้สึกว่ามันมันทึบมันทึมมันมันไม่โปร่งเรลองทํากับอาจารย์แล้วเราก็ ท่านอาจารย์ผมทําอย่างนี้มาพอสมควรแล้วมันมันเป็นอย่างนี้อ่าผมขอโอกาสทําอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เลยนะไอ้แบบเนี้ยความเคารพอาจารย์เป็นเรื่องสําคัญแต่ความเคารพจนไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูกอันนี้เป็นอุปทานชนิดหนึ่งนั้นต้องมีความอิสระชนิดหนึ่งพอทําไปทํำมุ่ยิ่งไปทำกับทํายิ่งหนักเข้าทึบเข้าทึบเข้าอันนี้ต้องแจ้งกัท่านทาาราบว่าเออผมทําอย่างนี้ลองมาแล้วนะ แต่ความดื้อเป็นอีกอย่างหนึ่งนะทั้งจับเนี่ยดื้อที่ไม่ยอมทําตามเงื่อนไขที่ท่านให้ทดลองเนะี่ยเมื่อเราได้ทดลองแนละ้วรู้สึกว่าเออตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมันยังตันตรงนี้อยู่เราก็สามารถที่จะทดลองอย่างนี้เพราะว่าความเพียรของตนเองเป็นวิเนรนะ์ตัวเองเพอถึงจุดนี้แล้วให้ทําด้วยความเป็นอิสระการเก็บอารมณ์ให้อิสระนั้นที่เราลองทําเช้าทําเย็นนะลองอัดทําเต็มที่เต็มที่นี่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในนี้ตอนนี้ ให้เกิดการเรียนรู้ไปไหนนี้เท่า น, นั้นเองไม่มีอะไรมากพอทำไปทําไปให้เป็นอิสระจากทุกอย่างจากการจากเวลาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่สิบสองยังจำได้แสดงว่ายังไม่มีอิสระทำไปต่อมาจะงงงงเลยไม่ไม่ขึ้นกับการกับเวลาเลยลืมไปเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมยงงั้นเริ่มได้ที่แล้วแต่เธอโอ้วันนี้วันที่สองแล้ว อีสิบสามสิบสี่อีกสองวันถ้าอย่างนั้นก็จะข้องการข้องก็งงงไม่ไใช่เรื่องผิดเรื่องถูกอะไรเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้จิตของเรานะจิตของเราจะเป็นอย่างนี้เลยเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปนั้นเราฝึกปฏิบัติเนี่ยให้ละเอียดนะโดยเฉพาะนอกรูปแบบเนี่ยถ้าว่าจริงๆเนี่ยเราเก็บอารมณ์ก็ดีเร า, เอาอะไรก็ดีการเก็บอารมณ์เพื่อเพื่อสร้างสภาพสร้างสภาพบ่มเพาะมัน ที่เราฝึกเดินจงกรมสร้างเจานี้คือการสร้างความคุ้นชินชนิดหนึ่งเท่านั้นเองนั้นมาตวรวจสอบว่าคุณคุ้นชินไหมคุณมาดูตอนออกนอกรูปแบบเนี่ยเล่นกับมันจับยาสีฟันบีบยาสีฟันอาบน้ําสงน้ําทําเล่นเล่นทำเล่นคนบางคนไม่เหมาะที่จะบีบนะคนบางคนไม่เหมาะที่จะบีบเหมาะไม่เหมาะนี่ต้องผ่านการทดลองเล้ยงแล้วเลาซักระยะหนึ่งก่อนนะ ไม่ใช่กิเลสมันไม่อยากเอามันอยากจะทําตามสบายโยมไม่เหมาะหรอกอาจารย์กรมจิตบอกว่าทําตามจริตไสให้ไม่มีกรอบไม่อะไรไอ้จังหวะเหล่านี้เนะียความเป็นผู้ซื่อตรงต่อตนเองเป็นเรื่องสําคัญซื่อตรงต่อการรูงแจ้งสัจธรรมซื่อตรงต่อต่อตนเองนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าไม่มีคุณสมบัติอันนี้นะนพนระเภทรลวดลายจัดยิ่งยิ่งรู้ธรรมาบ่ายยิ่งลวดลายจัดอย่างนี้ไม่ไปไหนน ะ, ะพวกกลัวเสียวฟอร์มหนึง่งพวกลวดลายจัดหนึงนะ่งอะไรแบ ไม่มีความซื่อตรงต่อภรมิปัญญาอันนี้ก็จะช้ามากช้ามากถ้าเราทำความเพียนไปแล้วนี้นอกรูปแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคุณมาเนียนมาละเอียดกับเรื่องนอกรูปแบบนี้ให้ได้บางคนขยันมากนะในรูปแบบเดินโยมเอาจริงจังเจอเบากายเบาใจฟังธรรมะเข้าใจล่วงปลงพอออกนอกรูปแบบทําให้เปลี่นถ้าอย่างนี้จะไม่ติดไม่เป็นง่ายพอการทําความเพียนไปจึงจุดเบื้องต้นง้องวิธีการหอวงพ่เทียนนะ สรุปแบบอัตมานะผิดถูกฟังเอาที่เราซ้อมเดินยงกรมสร้างจาังหวะนึงซ้อมไปซ้อมไปซ้อมไปรู้หลงรู้ห ล, ลฟงฟุ้งบ้างอะไรบ้างที่เราเจอเจอได้มาเนี่ยทำจนมันติดออกมาโน่นนะถ้าเริ่มว่ามันเริ่มได้ที่เนี่ยจะเริ่มสังเกตว่าเราเดินเดินยงกรมพอเราออกนอกรูปแบบปั๊บเรามาเดินอะไรตัวตัวไปมันจะเริ่มติดจะเริ่มติดเพ้อเพ้อไปมันกลับมาเองมันเพ้อเไปมันกลับมาเองมันอันมันเริ่มติดเริ่มคุ้นพอเริ่มติดเริ่มคุ้นเนี่ย คนจะต้องตามย้ำตามสำมสาภาพความคุ้นจินอันนี้เรื่อยเรืื่ อ, อ, อทำจนตั้งแต่เบื้องต้นเราเริ่มกำหนดช่วยมันจนไปถึงจุดที่มันเป็นน่นไม่รู้อะไรก็ได้ทำอะไรคือปฏิจจสมบัติคือลูบน้ำน้าลูปอะไรที่ท่านว่าเนี่ยแต่ถ้าทำจนมันเป็นพิบตตาคือน้ำลายกายกใจไปด้วยกันสบายสบายคลี่คลายผ่อนปลนสภาวะแห่งการล้างจิตเนี่ยจะเป็นของมันเองตามธรรมชาติ แม้เท้าถามมารู้รูปน้ำหรือยังน้ำรูปรู้หรือยังอะไรเนะี่ยตอบไม่ได้เลยก็ช่างเลยแต่จิตของคนจะคลี่คลายมากจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ง่ายพอสิ่งแปลกปลอมเช่นปรุงแต่งขึ้นมาปับ๊บมันจะถอยออกเลยพอปฏิฆะเข้ามาปับ๊บมันจะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่เป็นปกตินั้ น, น, นชื่อมันไม่ทราบเลยก็ได้แต่สภาพแห่งความคุ้นชินคุ้นเคยอันเนี้ยนั้ น, น, นที่เราทำอันนี้จะเรียกว่าเก็บอารมณ์หรืออย่างไรก็ตาม ทำเพื่อเพื่อมันเป็นอันนี้ให้ไกลกับใจมันสนิทสนิทกันความสนิทเป็นนะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนขี่จักรยานเป็นเหมือนขับรถเป็นใหม่ๆมันเก้ะๆกัางๆมันเกรงมันเครียดมันจะใส่เกียร์จะเบียบเบอย่าเบรกกับเบียวคลาดยังยังสับสนยังเกร็งๆอยู่พอทําไปคล่องตัวไปมันมันทําเหมือนไม่ได้ทำไปเลยมันเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นความรู้สึกตัวเหมือนกันที่เราใส่ใจบรรจงทําบันจงทําบันจงทําสร้างความคุ้นจินอันนี้ จนยิ่งเป็นยิ่งคล่องแคล่วยิ่งคลี่คลายนี่ทําอย่างนี้ทําจนมันเป็นนี้เช็ค ก, ก็เช็คอย่างนี้อย่าไปเช็คว่าฉันรูบๆน้ําหรือยังฉันได้ใจลักหรือยังสมัยโน้นหลวงพ่อว่าฉันได้อันนั้นเนี่ยยุ่งเลยแบบนั้นเอ๊คล่องแค่วหรือยังแม่นยําหรือยังถ้าตัวนี้คล่องแคล่วแม่นยําปั๊บนี่จะใช้ได้นั้นการเก็บอารมณ์เนี่ยอาการที่เราร่วมกันทําก็ดีหรือปลีกเปลี่ยวคนเดียวก็ดีตั้งจิตให้ถูก ให้เป็นอิสระไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เสียไม่มีผู้ผิดไม่มีผู้ถูกมีแต่อาการของกายของจิตเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาการที่กุศลก็ดีอกุศลก็ดีกุศลก็คลี่คลายก็สบายหน่อยเวทนาไม่แรงถ้าอากุศลอมันจะมีทมมันัดเนี่ย ม, มันจะมีความรู้สึกทุกบีบักขันอกุศลเกิดพอเราทำความรู้สึกก็จะเป็นการเรียนรู้อันนี้เองเรียนรู้อันนี้เองเรียนรู้เรียนรู้ความทุกข์มันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ เรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วก็จะเกิดความคลี่คลายนั้นการเก็บอารมณ์จริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีแต่การเก็บความรู้สึกตัวเท่านั้นเองนั้นการจัดสภาพเอื้อไม่ว่าจะเข้าห้องคนเดียวหรือว่ามารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะได้เหมาะให้การเด้งเล้าความรู้สึกตัวอันนี้ขึ้นมาอ้าวมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมฮ <laughs> ะ, ะมี ไม่มีอะไรก็ไม่มีคำพูดน่าตำเนยที่พูดวันแรกกับวันนี้เหมือนเหมือนก่อนเดียวกันเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก่อนเดียวกันนี่แหละที่พูดชั่วโมงหนึ่งนะ่ะคุณอาจจะทำแปดปีนั้นน่าจะบอกให้คุณอาจจะทำแค่สามวันห้าวันเนะี่ยไอ้ที่ว่าทำจากใส่ใจรู้จนมาเริ่มติดจนมาสู่ความเปลี่ยนเนี่ยสามคำนี้นะสามคำนี้ถ้าส า, สามคำนี้ได้ก็ง่ายละสบายแล้วอ้าว ไม่มีอะไรถามก็จะได้ออกไปเดินชมกลมได้ไปทำกลมเพียนหลวงพ่อท่านว่าอย่างไงนะเช้านี้จะมาเก็บร่วมกันยิสลาใช่ไหมใครแค่ได้ยินมาเก็บอารมณ์รู้สึกขนลุกขนพองนอัดในโน้นก็จะอ้วกไปเลยจะมาอัดในนี้อีกเนอนะพ่อเอ้หรือว่ามันไม่เหมาะกับเราเนอะนี่ <c oughs> <c oughs> จะขอหลวงพ่อไปเดินถุงนาคนเดียว <c oughs> <c oughs> แต่แต่คนจะคิดเอาหน้่นัอน อต่แต่แต่นั้นแต่ต่อมาเซนเขียนว่าถ้าได้มาอัดอัดร่วมกันเนี่ยดีนะที่ง่วงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่โยงง่วงแต่มาก็ง่วงนะเนี่ยมีสองอารมณ์จงสงบกับง่วงนี่แหละสองกันแต่มันมันง่วงมีศิละปะนะ <c oughs> ทำไปนานๆมันง่วงแล้วยกมือได้ด้วยตกเบื้องลงไปตกเบื้องลงไปนี่มันก็จะโล่งเลยพอตื่นขึ้นม็ตาใสเหมือนไม่เป็นอะไรนะ มันไม่เป็นอะไรจะสยยมันไม่คุ้มอึดอัดเหมือนเมันเราทำใหม่ๆนะมันจะ่าง่ายๆมันจะโง่งมีศิลปะมากขึ้น <c oughs> ยิ่งเราสติละเอียดกิเลสของเราก็จะละเอียดความคิดความอ่านแล้วเราก็จะเห็นกิเลสที่มันละเอียดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องปฏิฆะเราจะต้องรุนแรงมากโกรธโงนเหยียดต่อไปแค่รู้สึกว่าจริงๆที่เครียดนะเวลาทำกําเพียนที่เครียดเครียดหนักๆ น, น, นั่นคือปฏิคะนั่นะ คืออารมณ์โทสะนะเป็นอารมณ์โทสะแต่ว่ามันละเอียดไงทํากุศลอยู่แต่ก่อนเนี่ยเราจะเครียดเราจะกโกรธต่อเมื่ออกุศลจิตกระทบเราใช่ไหมมีคนพูดไม่ดีอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรที่เราเช่นเขาทําอะไรไม่เรียบร้อยเราค่อยสร้างเรื่องเครียดทุกข์ขึ้นมาแต่แค่อเรามุ่งอยากจะรู้สึกตัวมากเกินไปหรืออยากจะได้กันไหมภาวะตัณหาเนี่ยสร้างความเครียดขึ้นภาวะอันนี้แต่มันละเอียดนะไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมาหรอกมันจะค่อยๆเรียนรู้ไป ก็เรียนรู้ไปแม้แต่เรื่องการมาชันทะการมาราคะแต่ก่อนถ้ามันเป็นเรื่องหยาบหยาบนาะเรงจะปรุงอยากได้น่นอยากได้นี่แม้แต่เรื่องหญิงเรื่องชายอะไรเนี่ยต่อไปแม้แต่รู้ว่าอาหารที่เรากินเฮ้ยอย่างนี้มันจะเห็นแรงเรั้วเลยว่าเฮ้ยชอบอันนี้เอาอันนี้กินอันนี้อันนี้การกินการใช้ใช้วัตถุปัจจัยต่างๆเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยอ้อมมันจะเห็นแรงดึงดูดพิเศษกับเรื่องนี้อบางเรื่องมันเป็นเรื่องความจําเป็นของร่างกายบางเรื่อง ทั้งๆรู้อยู่ว่ากินเกินนี้มีผลเสียต่ออารมณ์ภาวนามีผลเสียต่อสุขภาวแต่ว่ามันชอบติดในรสอร่อยอย่างนี้มันจะเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพวกนี้เห็นนะไม่ได้ทําอะไรมันนะเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆการเห็นหนั่นแหละเป็นการรื้อถอนรื้อถอนกิเลสละเอียดเมื่อสติละเอียดก็เห็นกิเลสละเอียดเข้าเข้าเข้าเข้าไปเป็นการรื้อถอนอาสวะรื้อถอนอนุสัยอนุสัยไปว่าความคุ้นชินความเคยชิน เราโกรธครั้งหนึ่งมันก็จะตกตะกอนเป็นปฏิฆาอนุสัยเนี mm ่ย hmm. เรารักครั้งหนึ่งเราชอบครั้งหนึ่งก็จะสังเกตอืมเราทําอะไรมันก็จะยิ่งเราอประทับใจกับอะไรเนี่ยอนุสัยก็จะลงลึกอันนะั้นเนี่ยอาหารการกินที่เราเคยกินนี่นะในช่วงที่เราหิวมากเหนื่อยมากเรากินอันนะโอ้ยดับกระหายแล้วก็อร่อยมากๆากนะคุณจะจํามันไว้ลึกทีเดียวเขา อย่างต่างชาติต่างประเทศที่เขากินอาหารอะไรที่เขาว่าอร่อยอร่อยมากขึ้นเราไม่เราไม่เคยแตะมาเลยที่กินใหม่ๆก็งั้นๆในอาหารญี่ปุ่นอาหารเวียดนามอาหารเกาหลีแต่ถ้าเจอส้มตำเพราโอ้โหแกะไม่ออกเลยนะเพราะว่าเราสั่งสมสิ่งเหล่านี้มานานรถแบบนี้เพราะมีรถจรึงมีชาติ <c oughs> มีชาติก็มีชารามอรนโสกับรีเทวะอันนี้ปฏิจจสมบัติถุงนะไม่ใ <c> ช <oughs> ่ปฏิสมบัตเนี่ย ตาก็ดีหูก็ดีเราจะชอบโดยเฉพาะอารมณ์ที่สร้างความรู้สึกกามฉันทะเรียกว่ากา ม, มาสาวะพวกนี้มันจะละเอียดจนถึงแม้แต่ที่เราทำความเปลีป่ยนแปลงเราเจอเบาเจอสบายเจอสงบติดสงบนะพอจิตสงบได้เห็นแล้วจิตเราจะน้อมไปรับเอาทันทีน้อมไปรับเอาทันทีจะเอาความสบายความสงบตัวความสรงความสบายความปลอดโปร่งโลง่งใจนั้นนะเป็นกา ม, มาสาวะทีเดียวมันทําให้เราติดข้อง แต่แน่นอนใหม่ๆมันเป็นอุปการะคุณนะอย่าลืมว่ากิเลสแต่ระดับระดับเนี่ยมันจะเป็นอะไรคองมันไปเรื่อยๆนั้นเราฝึกไปก็จะเห็นสภาพละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนั้นการเก็บอารมณ์ไม่มีอะไรคือเก็บความรู้สึกตัวเก็บความรู้สึกตัวในช่วงเจดวันอยู่ที่นี่คอร์สแบบนี้ก็พอคุณออกไปนอกรูปแบบแม้แต่ที่อาตมาพูดทําไปทํมมาสติมันชัดเกินไปมันอย่างเช่นนอนไม่หลับหรือว่ามันตึงๆเครียดๆสามารถเจ็วันอยู่ที่นี่ไม่เป็นาน พอออกไปนอกบ้านคุณก็มีการมีงานอะไรทำไม่ต้องแก้มัอนเด้มันก็คลายเองในเรื่องพวกนี้ไม่ยากหรอกแต่ถ้าคนทําเต็มที่มีเวลาเหมือนพระเหมือนอะไรต้องต้องละเอียดประณีตกับมันหน่อยอันนั้นถ้าสรุปแล้วนะอาการทั้งหมดเนี่ยปฏิวัติธรรมไม่ต้องแก้อะไรนะถ้าว่าโดยที่สุดแล้วไม่ต้องแก้อะไรเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะรู้สึกตัวผาไปเลยผาไปเลยผาไปมันจะรู้ทะลุไปเลยผ่านไปผ่านไปไม่เอาถูกเอาผิดไม่เอาดีเอาเสียไม่เอาได้ไม่เอาไม่ได้ มันจะทะลไปทะลุไ ป, ไปความตื่นตัวนี้จะคล่องเข้าคล่องเข้าคล่องเข้ารู้เฉยเฉยรู้ซึซิรู้เฉ ย, ย, ยเฉยเฉยเฉยไปตั้งแต่เมื่อต้นอย่างเรายกมือนะี่ยยกมือเฉยเฉนะคุณชอบไหมไอ้ยกมือคุณเกลียดมันไหมโดยทั่วไปในรูปนี่มันมันง่ายต่อการที่จะวางใจเฉยเฉต่อมันนะนะชอบก็ไม่ชอบชังก็ไม่ชังพออารมณ์ที่เกิดกับจิตมันกันต่อไปความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึน้นกับจิตคุณก็จะรู้มันเฉยเฉยเหมือนกัน หลวงปเทียนจึงบอกว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นฟ้ากลมดินนะฟ้ากลมดินฟ้ากลมดินแปลให้มันดูมันเทเทนั้นครอบจักรวาลครอบจักรวาลฟ้ากลมดินครอบจักรวาล น, นะมันครอบจักรวาลนะเวลาเราฝึกมาจดเบื้องต้นก็รู้สึกตัวท่ามกลางก็รู้สึกตัวที่สุดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวเฉยเฉเนี่ยองค์ธรรมมันมีสติและอุเบกขานะ รู้ซื่รู้เฉยๆเนี่ยสติและอุเบกขารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้เฉยพออารมณ์เกิดขึ้ น, นเวลาง่วงเกิดขึ้นถ้าคุณกับฟัดกับเฟียดจะสู้กับมันเนี่ยผิดแล้วนะเพียงแต่ไม่สมยอมกับมันใช้ได้แล้วไอ้คนม่วงนี่จะ ต, ต้อ ง, ง, องม่วงนะทำไมม่วงได้เกยดกัดเขี้ยวเขี้ยวฟันจับคอตีเข่ามันมีตัวตนให้คุณแก้เหรอมันไม่มีนะ นั่นลงมาเตียนยังเอาบาค้าเกิดขึ้นเอาเอสาาุภะมาแก้โทสาเกิดขึ้นแผ่เมตตาอะไรนั่นคุณแก้อะไรถ้าว่าคุณโกรธเกิดขึ้นคุณก็แผ่เมตตาคุณแก้อารมณ์คุณแก้ความโกรธเลยจะว่าแก้ก็ได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่อะไรคุณเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองคุณเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องคิดเท่านั้นเองควรทำนะในระดับชิ้นทำเจตทำในระดับสมถะ แก้ไขอารมณ์นะแต่พอมาเรื่องการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องแทรกแซงอะไรแต่กว่าเนี่ยคุณจับอันนี้มันหนักมากเนี่ยจน่าจับโทรศัพท์ทําไมเขาทําอย่างนั้นทําไมเขาทำํำนี้คุณจับหนักหนักนะโอ้มนหนักมากก็เปลี่ยนมาจับไม่เบาลงหน่อยเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเขาของเขาใจผิดมั้งหาอห่านะพอนให้มันนะคุณเปลี่ยนจากจับอันนี้มาจับอันนี้นะ้องวัดอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปเป็นกรรมการดิ คุณแค่ถอยออกมารู้สึกตัวนะเขาแสดงอยู่นั้นเขาก็จะจืดลงไปเฟล่งไปอย่าเราทําตัวเป็นกรรมการเขาชกมวยกันอยู่เนี่ยถ้าเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนะเพอคิดดีให้เหตุนี่ผลเขาหน่อยเขาก็โดดมาสู่ข้อมูลอี ก, กลับไปกลับมาอยู่นั้นถ้าควรไปเป็นกรรมการแยกหมากัดกันอยู่นั้นอ่ะยุง่งเพียงแต่ถอยออกมารู้สึกตัวไปมอยู่ตรงนั้ น, น, นไปไปอันนั้นจริงไม่มีการแก้แม้แต่ความง่วงจะเรียกว่าแก้ง่วงแก้นิวรณ์นันเป็นภาษาพูดนะ พอทามาถึงจุดหนึ่งนะเ่ริ่มรู้สึกตัวเปลี่ยนเนี่ยอย่าแก้อะไรเลยอย่าแก้ไม่ต้องแก้คุณว่ามันมีตัวตนให้แก่เหรอ <c oughs> กรรมาจันทะามันอยู่ในแกนะ่ถ้าแก้มันก็มีตัวมีตนไม่ต้องแก่รู้สึกตัวไปพอมาถึงช่วงนะอีกสองวันนี้นะทำให้ละเอียดกับนอกรูปแบบหน่อยไอ้ที่ตื่นขึ้นมาคุยกันตั้งแต่อยู่ในมุ่งนะ่ยไม่ได้กินหรอก หลวงเทียนนั้นเคยดูพระลูกหนึง่งปฏิบัติทำตื่นขึ้นมานี้เดี๋ยวทุ่งปฏิติก็พับนันนั้นนี้คุ๊กกิ๊กว่าจะออกจะมุ้งด้เป็นจะมุง้งกุ๊กกิ๊กๆิ๊กยิบนอนยิบ น, น, น, นี่เป็นสิบนาทียี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงกระบาแล้ว่นนะอันนั้นเป็นนิสัยกิเลสเรานี่จะยุกยุกยิบยิบยุ่งกันนั้นยุ่งกันนี้ใช่บางคนนะขอโทษนะอย่างโยมโยมพวกเรานี่ปฏิบัติทำโยมผู้หญิงเนื่ยอยทำนะไม่รู้ถือไปทำไมไอ้กระเป๋าน่ะ ทำไมมันลอกหลงหลังนะในนั้นก็ไม่มีอะไรยาอมยาดมยาหมองพอเบื่อหน่อยก็เปิดนะยาหมองมาป้ายจมูกเล ย, ย <laughs> คุณรู้ไหมไอ้ความเคยชินแบบนี้มันมันยุบมันยุบมันยิมย้มๆนะบางทีมันไม่จําเป็นเลยนะไอ้ที่แบกๆไปนะแต่ถ้าใครมียาแก่ช็อกแก่แอะไรเนี้ยไอ้เอ็ซิเดนต์อะไรก็เอาไปนะบม่ว่าเลย <laughs> บางทีเ ร, เราเรารู้ไหมว่าไอ้จิตของเรามันคล้องอันนั้นคล้องอันนี้นะ <laughs> บางคนก็ไม่มีอะไรในย่ามเน่ะมีหวีเล็กๆอันหนึ่งมีแว่นกระจกหน่อย อไปมาไม่ห่วงนะฮะเว้นมาสองแงงหน่อยังไม่มีอะไรจิตของเรายุบยุบยิ้มย้มกัมมบเรื่องเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้อะถ้าเรามีสติปั๊บมันจะความสํารวมความสั่โดดความเรียบง่ายจะเกิดขึ้นพอเราเต่าทันนะนั่นมันจะปีกเปี่ยวสบายตื่นขึ้นมาพับผ้าห่มมาเล่นทำเล่นๆกับเรื่องเหล่านี้นะย้านะถ้าจะย้าเนี่ยคือย้ําให้เรื่องนอกรูปแบบเนี่ยทาเล่นๆกับเรื่องเหล่านี้ให้ได้ทําเล่นๆนะทําเหมือนเล่นเกมเนี่ย อย่าเอาจริงเอาจังมากเกินไปบางคนโอ้เดินโอ้ฉันลืมเดินตั้งแต่ทุ่งนานนี่ลืมมาตั้งขึ้นจมบางคนถอยหลังไปเริ่มที่โน่นใหม่เลยเขาไอ้ถอยไปเริ่มโน่นมันก็ลืมตั้งแต่มันจะไปถอยไปเคยจแต่ถ้าเราจะถ้าเราจะเรียนรู้เทคนิคพิเศษของตัวเองไม่ผิดไม่ถูกนะเคยมีพระรูปหนึ่งดันมองหัวมากท่านเดินไปท่านลืม ออกจากห้องน้ํามาลืมอถอยไปห้องน้ําไปเริ่มต้นใหม่ให้มันเริ่มรู้ตรงนั้นไอตอนถอยกลับเนะี่ยลืมตลอดเหมือนกันทําไมไม่เริ่มตรงนั้นเลยนเริ่มไปสตาร์ทตรงนั้นเนี่ยความละเอียดรอบคอบเหล่านี้นะเป็นเรื่องเฉพาะตนนะนอกรูปแบบนี้ให้สําคัญอ่ากินดื่มเที่ยวลิ้มการตัดทําเล่นๆถ้าทําเล่นๆสนุกสนุก น, นี่จะเป็นเร็วถ้าจริงจัง จะบรรลุให้ได้เนี่ยจะเปลี่ยนเร็วเหมือนกันเป็นผีบาจะเร็วขึ้นยิ่งหลวงพ่อเปิดกระตุ้นเร่งเราให้รู้หลงเ่อที่ยิ่งพูดโอ้โหมันเหมือนง่ายเลยเกิดนะเพียรชิวชนกันจะบรรลุให้ได้เนี่ยเห็นลายลายแล้วนะแล้วพอรู้ก็จะรู้แล้วก็ไปวิปัสสน์ขึ้นมีองค์หนึ่งปฏิบัติช่วงนั้นเป็นพระอยู่กับท่านจารกสินช่วงนั้นหลวงพ่อไม่อยู่ละไปเมืองน้อยมีพระองค์หนึ่งวัดตั้งใจปฏิบัติมากนะ เพไปฝึกกับอาจารย์ยันตะเพืออาจารย์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอมาก็จะแข่งเพื่อนอยากบรรลุพอทําทไปทําไปเนี่ย <c oughs> พอผ่านม่วงไอ้เบากายเบาใจแกเข้าใจว่าแกบรรลุเทพสอนเพื่อนอุตรุษเลยสองใจคนนั้นสองใจคนนี้คนนั้นก็ทําไม่ถูกคนนี้นก็ทําไม่ถูก <c oughs> มาบอกอาจารย์เสิมผมบรรลุแล้ว <laughs> พอวันนี้อาจารย์เกษมอาจาย์เสียจเอาวันนี้พากันทํางานทํางานอาจารย์พาไปตักส่วงเอาหลวงพี่ งัดซ่วมเอาถังเหลืองให้ตักพอเห็นขี้ท่านนั้นอ้วกแตกว่ผมไม่บรรลุแล้วนั่นผู้บรรลุก็ไม่มีผู้จะไปบรรลุก็ไม่มีนะมีแต่การเรียนรู้ทําง่ายๆนั่นในช่วงที่เราเข้าเจ็บอารมณ์ทำให้มันมันคลี่คลายอย่าเอาผิดเอาถูกกับมันนะไอคนที่มาด้วยกันคนมาใหม่ๆนะแต่ทํำไมเห็นเปิดโทรศัพท์อยู่นะผิดเอามาฝากกับเจ้าหน้าที่เขาว่าเด้ถ้าให้ฝากกลับบ้าน พรมันไม่ได้หรอกภายเรือไม่แก้โซนะขอโทษนะไม่ได้ด่านะนี่กำลังด่าคือเราเนี่ยมันคล้องกับเรื่องพวกนี้หมดแหละแต่ละวันแต่ละวันของเราเนี่ยเบื่ออยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยก็ดูนังดูนังเบื่อก็ฟังเพลงฟังเพลงเสร็จก็โทรศัพท์อาคนานัน้นคนนี้จิตของเรามันคล่องกับเรื่องพวกนี้นี่เป็นการรื้อเป็นการรื้อนิสัยใหม่นั่นการเก็บอารมณ์การอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการตามย้ําตามซ้ําให้สร้างสภาพ คุณอันนี้จําไว้เลยนะให้ใส่รหัสไว้อย่าทําแบบได้แบบเสียไม่มีผิดไม่มีถูกจํามันมันจะเป็นอิสระามากแม้แต่ช่วงมันจะเครียด ม, มันจะอึดอัดมันจะอะไรก็ตามไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่การเรียนรู้แล้วจะง่ายเนะี่ยจะง่ายอย่า ก, กลัวการประเมินกลัวผิดกลัวถูกพอแล้วไปเปลี่ยนยาบทอะไรกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่รู้ท่านจะมาเลื่มเข่าเก็บอารมณ์เลยตั้งแต่เจ้าเลยหรือเปล่า หรือใครว่าอยากจะไปทำคนเดียวบ้างไม่มียังไงนี่ตอบคนเดียวแทนเพื่อนไนดะ้ยังไงหนูไม่มีเออก็จะโถกหน่อยเพื่อนคนอื่นอาจจะอยากมีก็ได้นะหรือลงพี่จริงกวงอยากอยู่คนเดียวบ้างนะอนะลองลองดูนะอีกสองวันเนี่ยทำไมเชื่อว่าถึงมันจะหนักมันจะอะไรก็ตามนะมันจะผ่านมันจะผ่านพอพวกนี้ แต่คนทําจริงทั้งนั้นเนีะพอหลังจากนั้นออกจากคอร์ปั๊บเนี่ยให้ไปซ้อมทํานอกรูปแบบถ้าใครกลับไปบ้านนะทําวันละสามชั่วโมงนะเดินโยกมสร้างจังหวะทุกวันทุกวันหลังจากนั้นทํากับการกับงานไม่เกินปีหนึ่งเป็นหละเป็นหละติดเลย อ, นนอยากได้อีกแล้วนั้นนะ <laughs> <laughs> <laughs> อ๋อไปอนุโมทนา เห็นไหมกลมเงยเห็นไหม